สมองเป็นศูนย์กลางของวิญญาณในขณะที่เราเนื้อคิดหมายถึงวิญญาณเนื้คิดเรารู้ว่าวิญญาณมีอยู่ในสมองก็เพราะในขณะที่เราคิดเราใช้สมองถ้าสมองพิการก็คิดอะไรไม่ออกหรือบางทีก็คิดอะไรไม่ได้เลยทั้งที่เรารู้ว่าวิญญาณอยู่ในสมอง แต่จะพาสมองออกเพื่อตรวจดูวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะวิญญาณเป็นนามธรรมในมเมล็ดพืชทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ในขณะนี้วิญญาณยังมีอยู่ในมเมล็ดแต่ก็ไม่อาจที่จะพ า, มาเมล็ดออกเพื่อตรวจดูวิญญาณการศึกษาเรื่องวิญญาณอย่าพยายามใช้ตาดูหรือใช้มือจับถูกต้องแต่ต้องพยายามพิจารณาถึงเหตุผลจึงจะสามารถเข้าใจได้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 และอำนาจที่สร้างสรรค์ต้นไม้ขึ้นมาก็คือวิญญาณอย่าลืมว่าวิญญาณส่วนนี้เป็นพวกจิตไร้าสานึกและจะต้องหมั่นนึกถึงเหตุผลที่ว่าสิ่งใดเกิดจากวิญญาณสิ่งนั้นมีความหมายเราจะต้องพยายามจำข้อความที่ว่านี้และนึกให้บ่อยที่สุดจนกว่าจะเข้าใจซึ่งว่าอำนาจที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของต้นไม้นั้น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 ศูนย์กลางของวิญญาณก็คือสมองดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง